เชื่อว่านาวาสูตร น, น, นาวาเรือสูตรมาด้วยเรือเหมือนกันสังยุตติกายขันธวรวักข้อความในสังยุตติกายขันธวรวักคือเป็นสูตรสูตรหนึ่งที่กล่าวถึงการจับด้ามมีดสูตรการจับด้ามมีดนั้น ใครทำยังไงก็สามารถส่งเราเอาสูตรนี้มาเป็นข้อปฏิบัติของตัวเองไนดะ้สบายๆแล้วก็มาฟังดูทั้งสูตรและอัตกะฐาดูว่าความเข้าใจของเรากับสูตรและอัตกะฐานั้นสอดคล้องกันดีไหมของธรรมามีความศรัทธาในลักษณะที่ว่าสิ่งใดที่เราคิดเนี่ยนะเราอยากจะขอดูต้นขั้วเดิมมา สูตรเดิมกับอัตกถาหรือดีกาท่านขยายอย่างไรแล้วที่อื่นๆท่านอธิบายไว้อย่างไรเนี่ยรู้สึกศรัทธาในลักษณะนี้มากเพราะว่าถ้าหากว่าไม่ได้ศึกษาในลักษณะนั้นาจากคำบอกเล่าเฉยๆเราฟังแล้วมันจะมีไปขัดแย้งกับที่อื่นอยู่เนี่ยซึ่งเราไม่สามารถพูดได้ในขณะนั้นพอเราฟังตั๊บเนี่ยนะคำบอกเล่าของคนทั่วไปเนี่ยคำพูดของเขามีส่วนเหลือ มันจะไปขัดแย้งกับที่อื่นๆให้เห็นทันทีเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไปดูคําอธิบายที่เป็นต้นเดิมจริงๆจะไม่ขัดแย้งกับพระไตรปิดกสูตรอื่นๆนะแต่ถ้าเป็นคําบอกเล่าของคนทั่วไปส่วนใหญ่แล้วขัดจริงๆถ้ายิ่งเราได้ศึกษาพระสูตรมาพอสมควรแล้วก็รู้หลักการขยายตามแนวเนติปรกรณ์บ้า ง, างนะเอาเนยะต่างๆมาจับลงแล้วเนี่ย ถ้อยคำบางคำนั้นมีส่วนเหลือแบบเนินที่ว่าค่อนข้างะวะ่ามันน่าเกลียดพอสมควระนะเพรา ะ, ะนั้นเราก็ควรที่จะตามต้นต่อในพระธรรมสูตรนั้นๆเนี่ยนะแล้วก็ทรงจำพยัญชนะทำความเข้าใจอัฏะตามอัตถาให้ดีๆแล้วก็การตีความของเราแต่ละสูตรนั้นหลับเป็นที่น่าสังเกตว่าถ้าตีความนะต้องไม่ขัดกับสูตรอื่น ถ้าเราเข้าใจธรรมะนั้นถูกต้องนะต้องไม่ขัดแย้งกับพระไตรปิฎกเลยถ้าเราเห็นพยานชนะตรงใดที่ใดที่หนึ่งอ่านแล้วก็ขัดแย้งกับเนื้อหาในพระไตรปิฎกบางสูตรแสดงว่าเราเข้าใจข้อความตรงนั้นผิดพลาดแน่นอนอ น, นะในพระสูตรทุกสูตรเนื้อหาท่านจะไม่ขัดแย้งกันแต่ว่าเรารู้จักคาอธิบายตรงนั้นเพียงพอหรือยังเท่านั้นเองอ น, นะซึ่งเราก็ควรที่จะ หาคำอธิบายต่อๆไปก็ความในนาวาสูตรสังยุตติกายขันธวรรว์เนี่ยนะกล่าวถึงว่าด้วยความสิ้นอาสะวะและไม่สิ้นไปแห่งอาสะวะนะคือพูดถึงเรื่องว่าเอออาสะวะจะสิ้นได้อย่างไรหรือทำยังไงอาสะวะจึงไม่สิ้นกรุงสาวถีดูกรพิสูนทั้งหลาย เราตถาคตกล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายของภิกษุผู้รู้อยู่เห็นอยู่ไม่กล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายของภิกษุผู้ไม่รู้อยู่ไม่เห็นอยูอ่ข้อความเบื้องต้นเหมือนกับข้อความในสัพพะสวะสังวรสูตรเห็นนะว่าคนที่จะหมดอาสวะทั้งสี่อย่างคือกามสวะทิฏฐสวะภาวาสวะอวิชชาสวะนั่นแะคนที่รู้อยู่นะ จึงจะละอาสวะเหล่านี้คนไม่รู้ไม่เห็นเนี่ยไม่สามารถที่จะละอาสวะทั้งสี่เหล่านี้ได้แต่ถ้าหากว่าในสัพพาสวะสังวรสูตรก็คือรู้เห็นโยนิโสและอโยนิโสเป็นต้นนะส่วนในสูตรนี้กล่าวว่าเพียกสูทั้งหลายเมื่อรู้เมื่อเห็นอะไรจึงมีความสิ้นอาสวะเมื่อบุคคลรู้รูปอย่างนี้ะนะ อย่างนี้รูปอย่างนี้เหตุเกิดขึ้นแห่งรูปอย่างนี้ความดับศูนย์ไปแห่งรูปถ้าบอกว่าอย่างนี้รูปรูปมีเท่าไหร่รูปยี่สิบแปดนั่นเองทั้งภูตรูปและรูปที่อาศัยภูตรูปถ้าสังเกตข้อความในคำพีทั่วไปเนี่ยนะท่านจะไม่ไม่กล่าวถึงทั้ง28เลยเพราะว่าเน้นไปที่มหาภูตารูปและอุปาทายรูปนะนะ ถ้าแสดงตามสํานวนแบบอัรถกถาทั่วไปอย่างนี้จะเกื้อกูลต่อการพิจารณาธรรมะมา ก, มากเราจะไม่คิดอะไรจนกว้างจนเกินไปถ้าบอกว่ารูปและรูปที่อาศัยมหาภูต ร, รูปอย่างเนี้ยจะชัดเจนมากเลยเราพิจารณาสภาพธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ใส่ใจมหารูปและมหาภูต ร, รูปแต่ถ้าเราบอกว่ารูปยี่แปดเราจะนึกโครงสร้างขึ้นมาเลยใช่จะเป็นจะเป็นภาพ นะถ้าเรียนเป็นรูปกลมๆมาภาพกลมๆจะมาทันทีทั้ง28แต่ถ้าหากว่าวรูปและภูตรูปพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ก็จะมีมหาภูตรูปอยู่ในนั้นและอุปาทัยรูปที่อาศัยก็จะสมควรแก่มหาภูตรูปนั้นๆถ้ามหาภูตรูปอันนั้นเป็นกรรมชรูปรูปที่อาศัยก็สมควรแก่กรรมัชรูปถ้ารูปอันนั้นเป็นจิตตชรูปรูปที่อาศัยก็สมควรแก่จิตตชรูปถ้ารูปอันนั้นเป็นอาหารชรูป นะมหาภูตรูปที่เป็นอาหารชรูปรูปที่เกิด ร, ร่วมหรือที่เรียกว่าอุปาทายรูปก็จะสมควรแก่รูปนั้นๆเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าแสดงตามนิยะแห่งพระสูตรพุทธพจน์หรืออัตถกถาจริงๆเนี่ยกึ่งกูลต่อการพิจะระารณามากนนอันนะรู้จักรูปเนี่ยนะนนก็คือภูตรูปและอุปาทายรูปอันนะถ้าเป็นพระที่เจริญแต่จะปัญจกะกรรมฐานปั๊บเนี่ยผมใช่ไหม ใส่ใจไปที่สภาพของผมผมก็คือมหาภูตรูปและอุปาทายรูปที่อาศัยผมมีเท่าไรนั่นแหละจะง่ายแล้วผมคือมหาภูตรูปสีก็คือสีก็คืออุปาทายรูปที่อาศัยมหาภูตรูปอนั้นสีเปลนรสโอชารูปนั้นถ้าเป็นผมของสิ่งมีชีวิตอยู่ก็เปมีชีวิตตรูปอยู่ด้วยนะมีภาวะรูปอยู่ในนั้นด้วยจะต่อว่ารูปและอุปาทายรูปมันจะง่าย ในการในการพิจารณาจริงๆอย่างนี้รูปอย่างนี้เหตุเกิดขึ้นแห่งรูปเส้นผมเนี่ยจะเกิดเกิดด้วยอาการเท่าไร่านะเหตุที่ทำให้มีผมนั้นทั้งผมนะมีเท่าไหร่นะผมเหล่านั้นเป็นกรรมชรูปใช่ไหมอ่าผมเนี่ยถ้าโดยสีเนี่ยนะเป็นอุปาทายรูปมันมีมหาพูดเป็นเหตุใกล้มหาพูด ใกล้ๆ ก, กันจริงๆอะ่ะก็คือมหาผู้ที่เหลือเป็นเป็นเหตุใกล้ถ้าเหตุไกลอะ่ะเหตุเกิดของผมจริงๆเนี่ยเราน่าจะมีเส้นผมเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นกรรมที่แตกต่างกันกรรมที่เป็นเหตุให้มีผมก็เพราะตันหาและอวิชชาที่อวิชชากรรมตันหาแต่ผมเหล่านี้อาศัยอาหารหล่อเลี้ยงอยู่เน่ะเพราะ อ, ะอาวิชามีผมจึงมีเพราะตันหามีผมจึงมีเพราะ กรรมมีผมจึงมีเพราะอาหารยังหล่อเลี้ยงอยู่ผมจึงยังมีอยู่และตัวเส้นผมอ่ะก็ยังเป็นไปอยู่โดยสันตติต่างๆนะกรรมสันตติจิตตสันตติอาหารสันตินิเรียกว่านิพัติลักษณะคือลักษณะที่เป็นไปอย่างนี้ของเส้นผมอัะนนะัถ้าได้ปัจจัยผมก็จะมีอยู่อย่างนี้นี่คือความเกิดขึ้นแห่งผมอันนี้คือความเสื่อมแห่งผมเนี่ยนะเขบอกว่าอย่างนี้ความดับไปแห่งรูปนะถ้าวิชา ไม่มีผมนี่จะอยู่ไหมถ้าตันหาไม่มีที่เป็นเหตุให้มีผมอยู่ไหมผมเนี่ยเป็นกรรมมาชรูปถ้ากรรมในอดีตไม่มีผมนั้นจะอยู่ได้ไหมเพราะฉะนั้นอ่าถ้าเกิดการเปรียบเทียบเนี่ยนะเหมือนกับแสงสว่างที่มันมีไฟอยู่เนี่ยนะที่มันสว่างอยู่เนี่ยเพราะมันมันมีพลังงานที่ที่สร้างขึ้นถ้าปิดอันนั้นซะไฟมันก็ไม่มีแลวอ่าผมเนี่ยนะถ้าลองกรรมในอดีตหมดหรือ กรรมเป็นต้นในอดีตหมดนะผมอันนี้ร่วงทันทีได้เลยเนี่ยนะผมหมดจากศรีรษะทันทีภายในไม่กี่นาทีหรือถ้าอาหารเนี่ยนะถ้าอาหารเปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่งผมหมดทันทีนะแล้วก็สภาพที่เสื่อมไปนั้นรูปนี้ผมเนี่ยนะเรียกว่ารูปและอุปาทายรูปนี้เหตุเกิดขึ้นของรูปและอุปาทายรูปถ้าสิ่งอ่ปาปัจจัยเหล่านี้หมดไปนี้คือความเสื่อมแห่งรูปและอุปาทายรูปเนี่ยนะ อันนี้รูปนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปนี้ความดับไปแห่งรูปแล้วผมเป็นที่ตั้งแห่งเกิดเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาไหมผมเนี่ยนะมีภาษาทรูปอยู่น้ยไม่ไหนนั้นมีภาษาทรูปพราะนั้นภาษาทรูปเป็นที่ตั้งแห่งเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาคือทุกขกายวิญญาณและสุขกายวิญญาณน่เั้น เ, เวทนาที่เกิดร่วมกับกายวิญญาณเหล่านั้นนั้นเป็นเวทนา ทั้งที่เป็นสุขบ้างบางครั้งบางครั้งก็เป็นทุกข์อ่า น, นะเพราะนั้นเป็นที่ตั้งแล้วไม่เวทนาไม่ได้อยู่แค่นั้นต่อด้วยเวทนาในปัญจทวารวิถีทั้งวิถีต่อไปอ น, นะเกื้อกูลต่อเวทนาที่เกิดในมโนทวารวิถีถ้าไม่มีกายยะภาษาท่านนี้เนี่ยเวทนานี้จะมีไหมอ่ะไม่มี เพราะผม เ, เวทนาที่เกิดขึ้นเนี่ยเวทนานั้นเป็นชาติวิบากเพราะฉะนั้นอวิชาตันหากรรมในอดีตจึงทําให้เกิดแต่ว่าเวทนาอันนั้นจะเกิดได้อา ศ, าศาัยผัสสะผัสสะคือความประชุมของธรรมสามอยา่างวัตถุหนึ่งแนละคือกายภาษาทา้าโพธพิภะนะและมณสิก า, านะเวทนาอันนั้นก็เกิดถ้าได้ปัจจัยนี้คือความเกิดขึ้นแห่งเวทนา ถ้าปัจจัยเหล่านั้ น, น, นขาดอย่างใดอย่างหนึ่งเวทนาเหล่านั้นก็หมดไปนี้เวทนาก่อนอนะสามารถแยกแยะว่าเวทนาอะไรเป็นอะไรนี้เหตุเกิดของเวทนานี้ความดับไปแห่งเวทน า, านะในในทั้งหมดเลยทั่วสรีระก็สามารถใส่ใจในลักษณะนั้นได้หมดนี้สัญญาก็ธรรมะที่สัมปยุทธ์กับเวทนานั่นแหละนี้สังขาร น, นะยกเจตนาเจตสิกเป็นประธานแล้วก็นี้วิญญาณ อย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณอย่างนี้ความดับศูนย์แห่งวิญญาณแต่ถ้าวิญญาณ น, นั้นมีเหตุเกิดที่พิเศษเพิ่มก็คือนามรูปเนี่ยนะนามรูปเป็นเหตุเกิดแห่งวิญญาณส่วนความดับก็เขานามรูปเป็นต้นดับวิญญาณเหล่านั้นก็ดับด้วยอา่าดูความที่สูงทั้งหลายเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้แลจึงมีความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายเนี่ยนะ ถ้ารู้เห็นเหตุเกิดรู้รู้เห็นนี้ขันห้านี้เหตุเกิดขึ้นแห่งขันห้านี้ความดับไปแห่งขันห้ารู้ในลักษณะนี้แหละอันนี้เรียกว่าอาสวะทั้งหลายจะสิ้นไปได้สำหรับบุคคลผู้รู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้ถ้าหากว่ากล่าวถึงองค์แห่งภิกษุผู้ทำความเพียรนี่มีห้าอย่างใช่ไหมเมื่อวานเราฟังห้าอย่างข้อหนึ่งตถาคตโพ ธ, ธิสัตามีศรัทธาในพระตถาคต ข้อสองอสุขภาพดีข้อสมไม่โอ้อวดไม่มีมารยาข้อสปรารบความเพียนข้อหมีปัญญาเห็นแบบนี้แหละอันนี้ยกข้อห้ามาเดียวนนคนที่รู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้นะอาสะวะทั้งหลายจึงสิ้นไปถ้าไม่รู้ไม่เห็นอย่างนี้อาสะวะทั้งหลายก็ไม่สิ้นไปดูก่อนที่สูทั้งหลายเมื่อภิกษุไม่ประกอบเนืองเนืองซึ่งภาวนานุโยกอยู่ คือถ้าไม่ประกอบภาวนานะถ้าไม่บาเพ็ญภาวนาเนี่ยถึงจะเกิดความปรารถนาว่าชะไหนเนาจิตของเราพึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นนะแต่ว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เจริญภาวนาเลยแต่ก็ตั้งความปรารถนาว่าโอ้ขอให้มันหมดอาสวะเถอะแบบนั้นตตั้งความปรารถนาอธิษฐานอยู่ทุกวันแบบนั้นแต่ว่าภาวนานี่ไม่เคยประกอบเลย ถึงเขาจะปรารถนาอย่างนั้นก็จริงแต่ที่แท้จิตของเขาก็ไม่หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ยึดมั่นได้ข้อนั้ น, เ, นเพราะเหตุไรเพราะข้อนั้นพึงกล่าวได้ว่าเพราะไม่ได้อบรมมาแล้วหรือเพราะไม่ได้ภาวนาโนโยกไม่ได้ประกอบการภาวนา <c oughs> เมื่อไพไม่ภาวนาเนี่ยนะถึงจะตั้งความปรารถนาอย่างในวันละร้อยหนนพันหนมันก็ไม่สาเร็จมางัน เพราะไม่ได้อบรมถามว่าเพราะไม่ได้อบรมอะไรเพราะไม่ภาวนาอะไรเพราะไม่ได้อบรมสติปฐานสี่สมมติปทาน 4, สาาน 4, อิทิบาสีอินทรีห้าพละาหโพชฌงเจ็อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เพราะไม่ได้บำเพ็ญโพธิปักจิยธรรมเขาจึงไม่หลุดพ้นจากอาสวะดูก่อนพิสูจน์ทางหลายฟองไข่ของแม่ไก่8ดฟองบ้างสิบฟองบ้างสิบสอฟองบ้างที่แม่ไก่ไม่ได้นอนทับ ไม่ได้กกไม่ได้ฟักกนะ็คือไข่ทิ้งไข่คว่างว่างนั้นเถอะเสร็จแล้วถึงแม่ไก่ตัวนั้นเนี่ยนะจะเกิดความปรารถนาะอย่างนี้ขึ้นว่าชะไหนเนลูกของเราจะพึงใช้ปลายเท้านะปลายเล็บเท้าหรือจะงอยปากเจาะกระเปาะฟองออกมาโดยสวัสดีก็จริงแหลนะแม่ไก่นี่ตั้งความปรารถนาเลยแต่ตัวเองก็ไม่ได้ทํากิจ คือไม่ได้ไปอบไปกกไปอะไรสักอย่างแต่ถ้ว่าไม่ควรที่ลูกไก่เหล่านั้นจะใช้ปลายเล็บเท้าหรือจะงอยปากเจาะ ก, กระเปาะฟองออกมาโดยสวัสดีได้ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรดูการพิสูจนทั้งหลายเพราะฟองไข่ของแม่ไก่8ฟอง10ฟองหรือ12ฟองแม่ไก่ไม่ได้นอนทับไม่ได้กกไม่ได้ฟักเลยฉันใดดูการพิสูจทั้งหลาย เมื่อพิกษุไม่ได้ประกอบเนืองเนืองซึ่งภาวนานนโยกอยู่ก็ฉะนั้นเหมือนกันแลถึงจะเกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่าฉนันนจิตของเราจะพึงพ้นจากอาส ว, วะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นก็จริงแลแต่ที่แท้จิตของเธอจะไม่หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นได้ข้อนั้นพาะเฮไรเพราะไม่ได้ข้อนั้นพึงกล่าวได้ว่าเพราะไม่ได้อบรมแล้ว เพราะไม่ได้อ บ, บรมอะไรเพราะไม่ได้อ บ, บรมสติประธาน 4, สี่สัมมาประธานสี่อิทิบาทสี่อินทรี่ห้าพละห้าโพชฌงเจ็ดอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ดนั่นไงที่แรกรู้ข้อปฏิบัติแล้วใช่ไหมรู้ว่านี้รูปนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปนี้ความดับไปแห่งรูปนี้เวทนานี้ความเกิดขึ้นแห่งเวทนานี้ความดับไปแห่งเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณก็ลักษณะเดียวกันรู้แล้วแต่ทําไมไม่หลุดพ้นจากอาสวะนั่นไง เพราะไม่ได้อบรมโพธิปักขิยธรรมเหล่านี้ดูความพิสูุทั้งหลายเมื่อภิกษุประกอบเนืองๆซึ่งภาวนาอนุโยกอยูอ่อนุโยกเนี่ยนะโยคัแปลว่าการประกอบอนุปแปล ว, ว่าตามตามประกอบซึ่งภาวนาอยู่ถึงจะไม่เกิดความปรารถนาขึ้นอย่างนี้ว่าไฉ น, นเนาจิตของเราจะพึงพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นก็จริงแล ถึงกันนั้นจิตของเธอก็จะหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นได้ข้อนั้นเพ่อหหิรายข้อนั้นจะเพิ่งกล่าวได้ว่าเพราะได้อบรมแล้วเพราะได้อบรมอะไรเพราะได้อบรมสติปทานสีสั ม, มประทานสีอิทธิบาทสีอินทรีห้าพละห้าโพชฌงเจ็ดอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แป ดูความพิสูจน์ทงหลายฟองไข่8ฟอง10ฟองหรือ12ฟองที่แม่ไก่นอนทับแล้วกกแล้วฟักแล้วถึงแม้แม่ไก่นั้นจะไม่พึงเกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่าชะไหนหนอลูกของเราจะพึงใช้ปลายเล็บเท้าหรือจะงอยปากทำลายกระเป๋ อ, องออกมาโดยสวัสดีก็จริงแลแต่ถว่าลูกไก่เหล่านั้นควรจะใช้ปลายเล็บเท้าหรือจะงอยปาก ทำลายกระเป๋อฟองออกมาโดยสวัสดีข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าฟองไข่แปดฟองสิบฟองหรือสิบสองฟองแม่ไก่ได้นอนทับได้กกได้ฟักมาอย่างนั้นแม้ฉันใดดูกอนพิสูุน์ทั้งหลายเมื่อภิกษุ์ ป, ประกอบเนืองๆซึ่งภาวนาโนโยกอยู่ก็ฉนั้นเหมือนกันถึงแม้จะไม่เกิดความปรารถนาขึ้นอย่างนี้ว่า ฉันไหนเนานจิตของเราจะพึงพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นก็จริงแลแต่จิตของเธอก็จะพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นข้อนั้นเพราะเหตุไรข้อนั้นพึงกล่าวได้ว่าเพราะได้อบรมแล้วถามว่าเพราะได้อบรมอะไรแก่ว่าเพราะได้อ บ, บรมสติประธานสี่สมประธานสอิทธิบาท4อินสี่ห้พระหโพชฌงเจ็และอริยมัสมีองแปดเนี่ยนะ ซึ่งตรงนี้ฟังอัตถกถาก่อนนิดนึงว่าบทว่าเอวเมวโขนี้เป็นบทรับรองข้ออุปมาบทรับรองข้ออุปมานั้นพึงทราบเทียบเคียงกับความหมายอย่างนี้อธิบายว่าเวลาที่ภิกษุนี้ประกอบการบําเพ็ญภาวนาพึงทราบว่าเปรียบเหมือนการที่แม่ไก่นั้นทํากิริยาสามอย่างในฟองไข่ กิริยาสามอย่างคืออะไรก็คือนอนทับกกฟัก น, นะนสมอย่างเนี่ยนะขณะที่บําเพ็ญเพียพรภาวนาเนี่ยชื่อว่าทํากิจสามอย่างนี้ความที่วิปัสสนาญาณของพิกษุผู้ประกอบการบําเพ็ญภาวนาไม่เสื่อมเพราะทําอนุปัสนาสมอย่างให้ถึงพร้อมอนุปัสนาสามก็คืออนิจจานุปัสนาทุกขานุปัสนาและอนัตตานุปัสนา ระดับไหนพังขยานเป็นต้นไปไม่ต้องห่วงนะถ้าที่ไหนมีอนุปัสสนานะขอให้รู้ว่าที่นั่นเลยอุทยพญย า, ยานแต่แล้วทั้งนั้น